ท่านสาสนิกชนทั้งหลายท่ะลูหลานที่รักวันนี้ก็มาต่อกันเรื่องพระมหาชนกต่อไปเมื่อวันที่แล้วพระมหาชนกได้มาคำหนึ่งถึงว่าเมืองมิถิลามหานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรือง มีบริษัราชมนเทียงองามพร้างพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนแล้วจะมีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ข้อนี้บางทีลูกหลานที่ร er, ักจะเคยไม่เคยคิดไม่ถ huh. ึงบางทีค huh. <In unusual. S 2> ิดว่าใครเขามีตึกใหญ่ๆแล้วว่าอยากจะมีตึกบ้าง ถ้ามีรถยนต์เราก็อยากจะมีบ้างคิดว่ามันสบายแด้ความตึกใหญ่ๆต้องลงทุนมากภารภกตจมันก็มากเวลามันทุดโทมลงมาก็ต้องซ่อมแซมมากต้องมีคนรับใช้มากต้องจ่ายเงินมากการหาเงินมากๆต้องใช้มากๆ ม, มันเป็นทุกข์ <c oughs> อย่างรถยนต์วสวยๆก็เหมือนกันถ้ามีรถยนต์วสวยๆราคาแพ ง, แพง มันก็ต้องซ่อมต้องแซมอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็เป็นน่นเดี๋ยวก็เป็นหนี่ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองอยู่มากเป็นอันว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ยิ่งคนที่เป็นพระราชาหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เหมือนกันต้องดูแลความสุขความทุกข์คนทั้งชาตินี่มันไม่ใช่น้อยไม่ใช่คนสองคนอย่างประเทศของเรานี่มีคนั้สี่สิบสี่ล้านเศษ ราชาพระองค์เดียวต้องเที่ยวไปเยี่ยมทินโน่นเที่ยวไปเยี่ยมทินนี่ใจคนมีความสุขเสมอการมันก็แสนยากเพราะราชาก็ไม่ได้มีสมบัติมากมายอะไรนะักแม้แต่พระองค์เองก็หาความสุขไม่ได้แต่ลูกหลานเคยเข้าเฝ้าพราะเจ้าแผ่นดินถ้าเคยอยู่ใกล้จะทราบได้เลยทันทีว่าพระมหากษัตริย์ของเหล่านี้มีความห่วงใยประชาชนเพียงใด <c oughs> แม้แต่คณ ะ, ะรัฐบาลชื่อนายกธำนตรีระดนตรีทั้งหมดคนดีเนื้อคนต่างๆที่มีความหวังดีซึ่งกันและกันแต่คนต่างก็ไม่ไดมีใครมีความสุขต้องทํากิจการงานมากแต่ความสุขมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือความสามารถขีดได้กัความรักกันแต่เราเกิดมาในชาตินี้มันก็ต้องมีทุกการทํางานทําการมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อย การแสวงหาวิชาความรู้ไปเรียนหนังสีมันก็ต้องมีความลำบากแต่ว่าเราไม่ทนลำบากเราไม่ทนเหน็ดเหนื่อยเรากลายเป็นคนโง่เราลกลายเป็นคนยากจนต้องเป็นทาสรับใช้อย่างกับรัฐที่คอมมิวนิสต์อย่างนี้เราจะมีความทุกข์มากฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจงมีความมนะพยายามในการศึกษา มีความกตัญญูรู้คุณตวีดามารดารู้คุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกับวงชนชาวไทยที่ให้ความสุขกเราอย่าลืมนาดิดว่าบรรพพระบริโภคเราจะได้พื้นที่นี้มาให้เราอยู่ต้องหลังชีวิตและเลือดในของท่านหาพื้นที่มาให้เราเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายมีสรภาพไม่เป็นท้าทาย เวลานี้มีบรรดาประชาชนมากมายชากชวนให้เป็นท่าเชากชวนให้ออกป่าหลวงปู่เคยพบเข้ามาสี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองเขาระบุระเบิดเข้าไปในป่าหวังว่าจะไปตั้งท่าตั้งกองทัพแต่อยู่ได้เพียงสองคืนเขาก็ากลับถามว่าทำไมจึงกลับเขาบกทนไม่ไหวในป่ามันลาบากจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้นะ ลูกหลานที่รักจะไปเชื่อใครเขาอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วพยายามเรียนหนังสือมากๆ ม, มีปัญญามากๆ ม, มีความกระตัญญูรู้คุณมากๆ ม, มีความขยันหมั่นเพียรมากๆเราจะมีความสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไปแต่งกล่าวว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ปลงผมคล้องผ้าบุมบาท แน่ใจริบไปตามป่าสมตามความปรารถนาคนักบวถ์นี่ท่านพูดทางนักบว ถ, ถนักบวถ์ที่เขามีประเภทอย่างหนึ่งลูกหลานเอาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องทำการงานถ้าเราเป็นนักบวถก็ต้องอยู่แต่คนเดียวดูอย่างล้มปูนี่ก็แล้วกันล้มปูก็ต้องอยู่คนเดียวไมาความมีคู่ครองไม่ได้ จะมีเครื่องแต่งตัวอย่างลูกอย่างหลานไม่ได้จะดูหนังดูละครไม่ได้จะไปเที่ยวดูดนตรีก็ไม่ได้พระ ก, ก็ห้ามดูนี่เป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของลูกของหลานนี่จะเติบโตไปสนาสามารถทำให้บ้านเมืองเจริญย้งมีความขายันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้สร้างความดีไว้ เป็เอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านบอกว่าเมื่อไรหนอเราจรึงจะได้ปลงผมคล้องผ้าอุ้มบาทและจาริกไปตามป่าสงความปรารถนาสูงมั่นพระทยเด็ดเดียวอยู่เช่นนี้จึงตัดสินมนไทยว่าเราจะบทเดี่ยวนี้นั้นก็รับสั่งแก่ราชบุรุษคนรับใช้ราชบุริษต่หมายความคนรับใช้ของพระราชา ที่เชิญเครื่องหมายว่าจะเอาอาหารมาให้บอกว่าเจ้าจงไปหาผ้ายอมน้ำฝาดกับบาดมาให้เราจงอย่าให้ใครรู้นะที่สั่งเป็นความรักสำหรับราชบุรุษรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วจึงได้จัดหาเครื่องบริขาร น, นำไปถวายพระราชาพระมหาชนกตรัสให้ภูสามาลา คนปลงผมคนตัดผมผูสามารลาปลงผมปลงพระเกศาคือโกนผมถ้าปรงพระมสัสสุก็หมายโกโนโหนดทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จจงกรมไปมาบนประสาทแต่คนเดียวทรงทำดีอย่างนี้ประมาณสี่ห้าวันเห็นว่าเป็นสุขแน่ อริยธรรทรงเปลงโอทันว่าโอหนอบนรรบชาเป็นสุขจริงหนอบนรรบชาเป็นศกประเสริฐจริงหนอบนรรบชาเป็นสุขอย่างยิ่งนี้จากการถือบวชการถือบุตมากน้อยไม่มีไม่มีทรัพย์สิสนพระราชามาหาสนกทรงบรรทับอยู่ในประาชศาดตลอดวันมิได้เสด็จออกภายนอกเลย วันหนึ่งเวลาย่ำรุง่งคือเวลาเช้าตรู่ไอตอนนี้จะออกแล้วหนีแล้วส่งเครื่องบริขาครครบถ้วนเกี่ยห่มจีวร น, น่องสบงทรงจีวรก่อน ร, ระคลองบาทแล้วก็คล้องบาด ท, ที่พระอังศาที่บาด ท, ทรงทานพระกร่อนไม้เท้าทานระกรนี่เขาเราไม้เท้านะ ถือไม่ท้าเฟเรตออกจากปราสาท <c oughs> ขณะนั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยหญิงคนสนิทเจ็ดร้อยนางจะไปเฝ้าพระราชาสวนทางกับพระมหาชนกตรงหน้าปราสาทแต่ทว่าพระนางศรีวลีจําพระราชาสวามีไม่ได้เข้าใจว่าเป็นพระประเจกพรทัเจ้าเข้ามาถวายโอวาทพระราชาสวามี จึงได้ถวายมาส ก, การแล้วก็พากันขึ้นไปบนบริษาทเมื่อขึ้นไปถึงภายในบริษัทเห็นท่าเกสาคือผมและหอเครื่องราชิยถาพรณ์ไม่เห็นพระราชาเครื่องราชาพร์ราชยถาพรคือเครื่องแต่งตัวนะนะคุณพระราชาแต่ก็ไม่เห็นพระราชา จึงมีความเข้าใจทันทีว่าบรรไชทิ่สวนทางเมื่อกี่นี้ต้องไม่ใช่พระรบเจกบพระธเจาแน่ต้องเป็นพระราชสวามีพระนางก็ไม่รอช้าคือพระนางศิวรีตรัสให้ทุกคนที่ตามเสด็จรีบลงจากปรสาัททันทีรีบลงจากปริษัท <c oughs> ติดตามพระราชสวามีไปท่านมาทันพระราชาที่หน้าพ ล, านลันหลวงพนางศีบรียังตรงเข้าไปหมอบลงที่พระบาทแล้วก็ยึดข้อพระบาทไว้ทูประหัสคือถูมือไปมาเกลดกไปมาส่งวยกันแสงซื้อซื่อ อ, อย่างหน้าสงสาร บรรดาหญิงที่ติดตามไปต่างก็กลิ้งเกลือดโกโซกาโด่งคือร้องไห้ดําพันว่าโอ้หนอพระทนกระหม่อมแก้วเชนไหนพระองค์จะได้ส่งให้ทอดทิ้งพวกกระหม่อมฉันไปที่เล่าพระเจ้าค่าขณะนั้นตามข่าวนะขณะนั้นข่าวการส ล, ละราชสมบัติ ออกมันไปชาของพระมหาชนกก็แพร่สะพัดไปบรรดาประชาชนได้ทราบก็พากันร้องให้อะไรติดตามพระราชาไปนี่ก็มีความรักมากลูกหลานที่รักจงจําจริยาของพระมหาชนกไว้ว่าในขณะที่พระองค์เป็นปพระราชาก็ไม่ไดหวังความสุขแต่ผู้เดียวตั้งโรงทานถึงหกแห่ง หล้วเยี่ยมเย็ยนบรรดาบรรดาประชารสนด อ, นอยู่ต่อดเวลามองดูความสุขความทุกข์ของบุคคลโดยทนหนาถ้าลูกหลานเองแม้แต่ไม่ได้เป็นพระราชาเราก็เป็นคนดีสาหรับบิดามารดาเป็นคนดีสาหรับครูบาอาจารย์เป็นคนดีสาหรับญาติครูใหญ่เป็นคนดีสาหรับมิสหายก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างพระมหาชนกเช่นเดียวกัน ฟังเรื่องของท่านต่อไปราชาหมาจะนกไม่จะทอดประเนตรเห็นผู้จงรักภักดีทั้งมรุตสตรีเฉินนามหมายข้าราชบริพาลมาทูลวิงวอนรำใหร้รำพันอยู่เช่นนั้นพระองค์ก็ไม่ิมีพระไทยวอกแวกหมายข้าตั้งใจแน่ว่าชั้นบ่นแล้วจ้ะ อย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันไม่กลับหลอกเพราะจะฐานพราชจะวางที่มันวุ่นวายแบบนั้นฉันไม่กลับกลับทรงมั่นพระไทยที่จ ะ, สะเสด็จออกไปที่โดยเร็วนี่ตั้งใจแล้วนี่ยึงไม่ได้ทรงหยุดยั้งสเสด็จออกไปด้วยอาการสงบใครจะร้องไห้ก็ช่งางใครจะเรียกยงงก็ช่างใคระว่าอย่างไรก็ช่างฉันก็เดินแบบพระพระก็เดินแบบสงบ สำหรับพระนางศิววรีอกมเหสีเห็นว่าพระเจ้สวามีไม่เสด็จกลับแน่พระนางจึงคิดว่ายได้อย่างหนึ่งเราตเรียกเสนาคุตตะมาเฝ้าเสนาคุตตะนี่หมายว่าทิตตคุตเนี่ยเป็นเสนาบดีนะเป็นเป็นเสนาข้ารการชั้นผู้ใหญ่ที่เวลานี้เขาเรียกว่ารัฐมนตรี ถ้ามาเฝ้าแล้วตัดว่าเสนาคตดจงรีบไปเอาไฟเผาเริงเก่าๆเสลาเก่าๆคนหญ้ามั่งใบไม้มั่งกิ่งไม้แห้งมั่งมาสมให้ลุกโผลงให้มีควันกโมงขึ้นรีบไปทําเร็วๆถ้าเสนาคตรับพระราชสวันีแล้วก็รีบไปทําตามรับสั่งทันที พมื น, นางศรีวรีไม่เห็นแสงไฟรูปครองอยู่ข้างหน้ายิงเข้าไปหมอบที่ประบายของพระเจ้าสวามีแท้ากราบทนว่าข้าแต่พระทนกระ ห, หม่อมแก้วไฟไหม้เมืองขึ้นมาแล้วข้านาน้นพี่เจ้าค่ะไฟไหม้แล้วข้านานโนยอย่าไปเลยถ้าครั้งมหาสมบัติถูกเผาที่หมดสิ้นแล้วขอเชิญเสด็จ ก, กลับไปดับไฟเถิดพีเจ้าข่ะ พระราชามาหาชนกหรือพระมาหาชนกตอนนี้คนยันได้ว่าต้องเรีย ก, รยกพระมาหาชนกเพราะไม่เป็นพระราชาและบทพาะแล้วต้องตัดว่าดูก่อนทีวีเราหมดกังวลแล้วเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติที่จะทําให้เกิดกังวลมาก่อนแล้วเพื่อครั้งมาหาสมบัติถูกเพลิงเผา แต่ก็ยังมีสมบัติอันแท้จริงของเราอย่างหนึ่งไม่ได้ถูกเาผาผลานไปด้วยนี่ท่านพูดมีมันเป็นภาสิทธ์นะว่าพระครั้งมาสมบัติมันไม่พราะไม่เป็นไรแต่สมบัติอีกอย่างหนึ่งของฉันฉันมีอยู่ไม่ได้ถูกเาผาผลานไปด้วยอันนี้ท่านคงจะหมายความถึงว่าการที่ท่านบวชเป็นสมบัติที่มีความสําคัญ คือสมบัติในกระบันการชิตแล้วก็ทรงตรัสเมื่อทรงตรัสแล้วก็ทรงดำเนินต่อไปบรรดาประสนมนารีทั้งเจ็ดร้อยนางกับมหาชนิกมากมายก็ตามเสนปราชาไปโดยนี่ความรักลูกหลานอย่าลืมนะว่าความเป็นผู้ใจดีมีความอบอ้อมอารีมีความกตัญญูรู้คนคนเขารักแบบนี้ ถ้าลูกหลานทุกคนมีจริยาอย่างพระมหาชนกในตอนต้ตนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดารู้คุณตรครูบาอาจารย์มีความเมตตาบาณีเ อ, อื้ออารีกับคนนั้งหลายลูกหลานก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างพระมหาชนกเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเป็นสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไป พระนางศิวรีทรงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งถ้าเรียกราชบุตรมารับสั่งว่าพวกท่านจงทำเหมือนกับว่ามีโจรปล้นชาวบ้านปล้นเมืองทรงเสียงอึกทึกสนั่นหวั่นไหวบรรดาราชบุรตรทั้งหลายรับพระสวนีนแล้วก็พากไปทำตามรับสั่ง พนางศรีวลีถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วผู โ, โจรต้นบ้านเมืองแล้วขอเชิญเสด็จ ก, กลับเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสุดราชาพระมหาชนกพระมหาชนกทรงตำริว่าตั้งแต่เราครองราชมาไม่เคยมีโจรปล้นบ้านพล น, นเมืองเลยน่าจะเป็นอุปบายของพระศรีวลีแน่แล้วในคิดนะตำริแววคิด ถ้าอยู่แต่ว่าดูก่อนพระเทวีเราหมดกังวลแล้วเรามีความสบายจริงๆโจนปล้นเอาแต่อะไรโจนปล้นแต่เอาอะไรไปไม่ได้ถึงเอาไปได้ก็แต่เอาเอาไปได้แต่เฉพาะสมัติภายนอกส่วนสมัติภายในของเรานั้นโจนเอาอะไรไปไม่ได้ เรามีความสุขจริงจริงๆเราเดื่มด่ำอยู่ในรถของปีตินี่แสดงว่าท่านบอกว่าโจรจะปล้อนอย่าง อ, อ, อื่นนักปล้นเพิ่องเงินทองอาเชนนำไปแต่ว่าสมบัติภายในเอาไปไม่ได้อันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคุ ญ, ญงจูเรจิทวรัง ขึ้นชื่อว่าความดีนีไ้ไม่มีไม่มีใครสามารถจะปล้นเอาไปได้คำว่าบุญก็ได้กับความดีสาบว่าบุญเป็นภาษาแขกถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยได้กับความดีฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงจาไว้ว่าความดีของเราไม่มีใครจะนำไปได้ ย้งพากันซื่อสัตย์สุจริตร่อชาติศา ส, สนาพระมหากษัตริย์กับพระราษฎรชาวไทยมั่นอยู่ในความกตัญญูรู้คุณจะเป็นความดีที่ลูกหลานจะมีความสุขในวันหน้าเมื่อพระราชาเมื่อพระมหาชนกตริทรงตัดแล้ก็ดําเนินด้วยไปไม่ยอมหยุดเราเราผู้ที่ติดตามก็พากันติดตามไปไม่ยอมลดละไหมือกันเห็นไหม คนดีเป็นอย่างนี้านารพระนางศิีวลีพร้อมด้วยสนมนารีก็สนิทตามไปเฝ้ากราบทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วมหาชนเป็นนมากไม่เป็นการอันธรรมาหากินพากันติดตามมาหวังจะให้พระองค์ทรงสนิจกลับเพื่อเป็นนิ่งขวัญของนครมิถิลา เมื่อขอมินเทลาจะว่างการสัตว์ปกครองไม่ได้หากพระองค์จะทรงพนนท์แล้วกว็ขอได้โปรดอภิเษกราชโอรสให้ครองราชสมบัติกอ่อนแล้วทรงพนนท์เถิดพระเจ้าค่ะสําหรับพระมหาเจน้นกจึงเนตสัมตัดวาดูก่อนเทวีเราได้สละราชสมบัติแล้วขอให้บรรดาประชาองชาว เมืองท่านหลายยกทีขาวุมมายขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นกษัตริรย์แทนเราต่อไปเถิดพระ น, นางศิวรีอมราชเทวีกาทูลว่าก็เมื่อทูลกัะหม่อมสมนโเนสดีก่อนชะนีหม่อมชันจะหม่อมฉันและประชาชนจะปฏิบัติยังไงพรมหาอิโรุจินตตรัพว่าเอาเถิดเราจะบอกให้ เมื่อประชาชนให้พระราชโอรสครองราชสมบัติแล้วขอให้พ น, นางคอยตักเตือนดูแลพระราชโอรสให้ได้ศึกษาสำเนยกราชประเพณีของกษัตริย์และวิธีปกครองราชให้อยู่เย็นเป็นสุขมนะแมนะ้ถ้ามีน้ำใจเด็กเดียวนะ คอยตักเตือนห้ามพระราชอรสให้งดเว้นในทางทุจริตทุกทางทั้งทางกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมคือไม่มีการขอรับชันไม่ความมาตัวเองก็อย่าคดอย่าโกงประสบนิกรคือประชาชนนายจงตักเตือนบรรดาข้าราชการตั้งแต่ผานรงขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรี ให้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความดีไม่ทุจริตทั้งกายวาจาและในใจบ้านเมืองของเราทั้งหลายจะมีความสุขท่านตักเตือนไว้นะลูกหลานจงฟังให้ดีนะความสุขของเราจะมีได้เพราะไม่มีการทุจริตคิดไม่ชอบเห็นใครใครเขามีการทุจริตคิดไม่ชอบโกงคนนั้นคมเห็นคนนี้ลูกหลานย่ออย่างเขานะนั่นมันเป็นความเลว เขาเป็นคนแต่กายแต่ว่าใจเป็นสัตว์อย่างที่พระบาลีทว่ามนุษย์สติละชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์มนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตอย่างนี้ลูกหลานอย่าทํามันเป็นความเลวเวลานี้มีเยอะไม่ช้าเขาก็ตายไปหมดบ้านเมืองของเรากําลังจะเจริญขึ้น ไม่ช้าคนเลวก็ตายหมดเลอได้คนดีเวลานี้คนเลวก็มีความเดือดร้อนไปตามๆกันอยู่แล้วเมือเมอ่อได้สองพระองค์ได้โต้ตอบกันอย่างนั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปเโาโตอตอบกัน อ, อยู่ก็ถึงววเวลาพลบค่าพนาวิวลีจึงตั้งค่ายประทับนั่นที่แห่งหนึ่งรพระมหาเจ้านกประทับที่ใต้ร่มไมยย้แห่งหนึ่งประทับกันอยู่ตลอดจนตลอดคืน กระทับแปลว่าพักนะลุ่งคุณเช้าพระมหาชจ้นกเสด็จ ด, ดำเนินไปตามค้นทางพนางศิีบรีพร้อมด้วยอมรคขราราชบริพารก็เสด็จตามไปภายหลังพระสัทั้งสองเสด็จไปถึงถูนะนาครก็พอดีเป็นเวลาพิคคาจานันธูนะนาคร น, นี่เป็นนาครแปลว่าเมืองนะ เมืองนั้นเมืององนี้เ้าเรียกโถนะโถนะถ้าอ่านภาษาไตเขเรียกโถนในขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งซื้อก้อนเนื้อชิ้นใหญ่มาจากโรงค่าสัตว์แล้วก็ามาเสียบย่างให้สุกวางบนพื้นกันดานเพื่อจะให้เย็นและขณะที่ชายผู้นั้นเผอ ก็มีสุนัขตัวหนึ่งมาค้าบอาก้อนเนื้อนั้นไปนั่นไปชายเของเนื้อไล่สุนัขเมื่อเห็นไม่ทันแม่ก็กลับก็เกิดวิ่งกลับฝ่บายสุนัข ก, ก็วิ่งมาพอดีพบราชาฟ า, าชโนเขา้ากับพนาเสวะลีอยู่ขนณะจึงตกใจทิ้งก้อนเนื้อและวิ่งหนีไป ราชามาหาชนกทรงทอดพระเนตรเก้อนเนื้อสกทิสนักทิ้งไว้ยังได้ทรงดําำริว่าก้อนเนื้อนี้สุนักนํามาทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีเจ้าของติดตามมาเราจักพิจาราก้อนเนื้อชิ้นนี้นํามาไปเป็นอาหารเมื่อดำนิอย่างนี้แล้วจึงได้สเสด็จไปหยิบก้อนเนื้อนั้นมาปัด ปุใส่ลงปในบาตรและประทับนั่งเสืเว้ก้อนเนยวนนั้นตามแบบฉบับข้อสมณนนี่ถ้าฟังอย่างนี้ล้วก็ลูกหลางก็ดีญาโยมพุทธบริษัทก็ดีโยสมเนธชีคลมก็ดีว่าจงจำไว้ว่าการบริโภคอาหารสมเนเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแต่เพียงว่ากินอย่างพ่อีวิทย์ไทรงอยู่เท่านั้น เล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ยาวจะจบประโยคก็ไม่จบก็ไม่ทรานะบพรนางศิวลีทอดกันเนตเห็นพระราชาสวามีเสวยก้อนชิ้นเนื้อที่สุนัขขับมาทิ้งไว้นั้นจึงทรงนำหรืว่าถ้าพระสามีพระราสาสวามีของเรายังคงปรารถนานะจะครองแนะจะสมบัติอยู่ก็คงจะไม่เสวยเนื้อ ชิ้นเนื้อก้อนนี้เรื่องแสนที่จะสกปรกทั้งก็น่าเกลียดถ้าเป็นเดงของสนักแต่พระองค์ก็ทรงกลับสเสวยได้หน้าที่พระองค์จะไม่ทรงคิดกลับไปครองราชสมบัติไละเป็นพระและเป็นพระราชสวามีของเราต่อไปแน่แล้วเมื่อทรงดำมิดอย่างนั้นแล้วะในกราบทูลว่าโอ้หนอพ่อทูลกำหม่แก้ว ช่าเสวยเนือที่สุขภพอย่างนี้ได้พระมะหาจ้นกจึงตรัสว่าพระเทวีเอ๋ยไม่รู้จักบินธรรมบัตพิเศษเพราะความโมโเขาของเธอบินธบัตรพิเศษคืออาหารนั่นเอและพระองค์ก็ทรงเสวยก้อนเนื้อรากฏว่ามีรสโอชาเหมือนกับเสวยเมื่อเสวยเสร็จก็พระเดพระพราชดำเนินต่อไป พนนางศิวลีพร้อมเรื่องหมายฆ่าจุปริพันธ์หลายก็ตามเสด็จไปด้วยเมื่อถึงประตูทูนนทนครได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเอากระโด่งน้อยๆปัดทรายเล่นอยู่กำไลที่สวมอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งมีเสียงดังส่วนที่สวมอยู่ข้อมืออีข้าข้อมืออีอข้างหนึ่งไม่มีเสียงดัง พระมหาชนกทรงทราบเหตุนั้นเหตุดังนั้นจึงทรงดำริว่ายัางนี้ทรงดำริว่าเราจะเข้าไปถามเด็กหญิงเพื่อให้เธอตอบเรื่องกำไรมือว่าทำไมกำไรข้อมือข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดูท่านช่างคิดอาจจะเกิดประโยชน์ในทางคติธรรมกันนาวิวาลี แม่ผู้ติดตามได้เมื่อทรงดำเนินตรงนี้นนนแล้วจึงเสด็จเข้าไปจัดถามเด็กหิงนั้นว่าหนูน้อยจา๋าฉันอยากจะถามว่าเพราะเหตุใดกําไรมือของหนูข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดังเด็กหญิงก็นั้งกราบทูลว่าข้าแต่นักบวช กำไลมือที่ท่านได้ยินเสียงนั้นเพราะมันกระทบกันคือมีสองอันซ้ายข้างหนึ่งนั้นไม่มีเสียงข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะมีอันเดียวก็เหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ ด, ด้วยกันนั่นแต่สองคนกันไปก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใคร เหตุเป็นดังนี้เจ้าค่ะฉันเสียงกําไรจึงมีบ้างไม่มีบ้างข้างหนึ่งมีเสียงข้างหนึ่งไม่มีเสียงบรรดาลูกหลานที่รักพระญาจโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะคุยกันต่อไปก็ไม่ได้เช่นแล้วเพราะว่าเวลามันหมดวันนี้ก็ต้องขอลากรอนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาแท่พุ้ตสานเพื่อนิกรชนกับลูกหลานที่หละและที่รักทั้งหลายสวัสดี